กรรมสิก็ข้อหนึ่งก็พูดถึงกรรมในอดีตก่อนนีนเรากําลังเรียนมหาวิบาศกอยู่นะแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงวิบาศกพูดถึงเหตุก่อนอกรรมที่เป็นอดีตอย่างหนึ่งคือหนึ่งกรรมเนี่ยมีแล้วหมายว่าทํากรรมไปแล้วละ่ะวิบากมีแล้ว ทำเหตุแล้วก็มีวิบากไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะอันนี้เขียนไปนี่นอย่างที่สองข้อสองนะกรรมมีแล้ววิบากไม่มีแล้วกรรมเนี่ยทำแล้วแต่ว่าวิบากในชาตินั้นไม่มีอันนี้พูดถึงอดีตชาติอยู่นะเช่นว่ากรรมในอดีตชาติเนี่ยกรรมก็ทําไปแล้วผลก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วนี่อย่างหนึ่ง เรียกว่าวิบากให้ตาม เ, าเขาบอกเหตุให้ผลตามสมควรแก่ปัจจัยอย่างต่อไปเขาบอกว่ากรรมมีแล้ววิบากไม่มีแล้วหมายถึง เ, เช่นนะทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมของชาตินั้นเนี่ยนะทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมที่จะให้ผลได้นี่ต้องอปัจจัยอย่างอื่นๆเนี่ยนะประกอบพร้อมปัจจัยเนี่ยเวดล้อมพร้อมนะกรรมมันจึงจะให้ผลได้ เพราะฉะนั้นในชาติที่แล้วทำกรรมนะไม่ใช่ว่ากรรมให้ผลทุกชาติใช่ไหมคือในบรรดาเจ็ดดวงเนี่ยนะดวงที่1 2 3 4อาดวงที่1เป็นทิฏฐธรรมดวงที่2ถึงดวงที่6เป็นอราปริยะเวทนิยกรรมดวงที่7เป็นอุปัชชะเวทนิยกรรมทิฏฐธรรมคือให้ผลในปัจจุบนันอุปัชฌะให้ผลในชาติถัดจากไป อภราป ร, ประยาณ์นี้ให้ผลในชาติที่สมเป็นต้นไปทีนี้ของบางคนเนี่ยพอทำกรรมทากรรมเนี่ยกรรมเนี่ยทำเสร็จแล้วของอดีตชาตินะกรรมในอดีตชาติพอทำเสร็จที่จะทำให้ผลเลยก็มีหลังจากนั้นอุอปัชฌิก็ให้ผลมาคืออาจจะเมื่อสัก20 30ชาติกี่สชาติก็แล้วแต่กรรมเนี่ยได้ทำไปแล้ววิบากก็มีไปแล้ว ทีนี้มันก็มีอีกอย่างหนึ่งคือทำกรรมไปแล้ววิบากมันไม่มีในชาตินั้นได้ทำกรรมไปแต่เป็นดวงที่หนึ่งมันไม่ได้ให้ผลในชาตินั้นถ้ามันไม่ให้ผลอย่างนี้เรียกว่าเป็นกรรมไม่มีอันนี้ถ้าแบบอาโหสิคือมันไม่ให้ผลเป็นอาโหสิกรรมไปเไ อ, อันนี้ข้อที่สองข้อที่สามกรรมเนี่ยทามีแล้ววิบากกาลังมีอยู่ อย่านี้นอันนี้กรรมกรรมในอดีตชาตินะวิบากในปัจจุบันนี้กําลังมีอยู่เช่นผวังของเราทั้งหลายเนี่ยนะผวังตอนเนี้ยที่ที่สับวิถีสับตาหูจมูกพวกนี้เป็นผลเหตุคือกรรมในอดีตวิบากคือกําลังมีอยู่ในชาตินี้คําว่ากําลังมีอยู่คือที่มันสามารถให้ผลได้ในชาตินี้แต่กรรมนี้เป็นของชาติก่อนๆนูนเนี่ยนะด้วยอํานาจของ อปราปริยะเวทนิยกรรมหรืออุปชาวเวทนิยกรรมก็ได้ส่วนที่ต่อไปอีกกรรมมีแล้ววิบากเนี่ยไม่มีอ่ะนะอันนี้สองข้อเนี่ยผลปัจจุบันนอ่าผลปัจจุบันสองข้อแรกเนี่ยผลอดีต อันนี้ผลปัจจุบันกรรมนี่ทำไปแล้วแต่วิบากไม่มีอยู่ เ, เช่นบุญที่ทำไปแล้วในในในภพก่อนๆ น, นะนะหรือบาปก็ตามบุญทั้งบุญทั้งบาปที่ทำอะ่ะแต่ว่าชาตินี้มันไม่สามารถมาให้ผลได้ที่มันไม่ให้ผลได้เช่นประโยชค่าสมบัติไม่ไม่ให้บาปบางอย่างมันให้ผลได้ในชาตินี้เห็นไหม มันก็บอกว่ากรรมมีแล้ววิบากไม่มีอยู่กรรมมีแล้ววิบากจักมีกรรมมีแล้ววิบากจักไม่มีเนี่ยนะพวกนี้ไอ้ไม่มีตัวนี้เนี่ยหมายถึงอะโหสิเนะี่ยอันนี้ก็อะโหสิเป็นอะโหสิกรรม ก็บอกว่าทำเหตุไว้ในอดีตชาติแล้วนะกรรมมานั้นสามารถที่จะมีวิบากต่อไปในชาติหน้าอันนี้หมายถึงพวกอปราคาปริยเวทนิยกรรมใช่ตลอดแสนกับเนี่ยหรือเกินกว่าแสนกับเนี่ยที่เป็นจะเป็นโอโหสิไม่มีถ้ายังอยู่ในวตายอยู่สามารถเป็นอปราาป ร, ปริยเวทนยกรรมส่วนบางอย่างถ้า ชาติหน้าเป็นธาตุหันปริณิพานเนี่ยนะกรรมที่ทําไว้ในอดีตจะให้ผลไหมไม่ให้ผลที่เป็นอโหาสิกรรมสองส่วนนี่นะหมายถึงยกตัวอย่างว่าปัจจัยไม่พร้อมก็ไม่ให้ผลอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเป็นธาตุหันถ้าเป็นพาาระตุหันปั๊บเนี่ยกรรมอดีตมีแต่วิบากปัจจุบันของบางท่านเนี่ยไม่มีเลยเป็นอโหาสิหรือวิบากต่อไปในอนาคตก็จะเป็นอโหาสิจักไม่นําเกิดอย่างนั้นเถอะ ทวนอีกครั้งหนึ่งว่ากรรมในอดีตที่มานําเกิดในปัจจุบันเนี่ยบางอย่างก็มานําเกิดบางอย่างก็ไม่ได้มานําเกิดในปัจจุบันใช่ไหมบางอย่างจักนาเกิดในชาติหน้าบางอย่างจากักไม่นําเกิดในชาติหน้าอันนี้เราเราพูดเน้นที่ปฏิแรกปฏิสนธิก่อนนะเช่นปฏิสนธิเนี่ยทวนทบทวนใหม่ในหข้อนะข้อ1กรรมในอดีตทําไปแล้ววิบากก็นําเกิดไปเรียบร้อยแล้วข้อที่2กรรมในอดีตทําแล้ว แต่วิบากไม่ได้นําเกิดไม่ได้อะไรนั่นนะเพราะอะไรก็ด้วยเหตุผลเช่นทิฏฐธรรมเป็นต้นก็ไม่สามารถให้ผลได้หรือว่ากรรมในอดีตเนี่ยทาไว้แล้ววิบากในชาตินี้ก็รับอยู่กรรมในอดีตได้ทําแล้วแต่วิบากในปัจจุบันชาติของบางท่านไม่มีอยู่เลยเพราะท่านปริณีผ่านไปแล้วนะอย่างชาตินี้ท่านก็ไม่ได้รับลนะของบางท่านเนี่ยกรรมทํามีแล้วเนี่ยเขาไม่ให้นําเขาจะไปนําเกิดชาติหน้า นะกับบางท่านปฏิบัติปริณิพานก่อนกรรมเหล่านั้นก็ไม่ให้ผลเพราะนั้นกรรมในอดีตเนี่ยหวิบากมีมีแล้วกำลังมีและจักมีที่เป็นอโหสิมีมีวิบากเป็นอาโหสิมีเดี๋ยนะมีสามอันนี้ชุดที่หนึ่งนะนี่ทั้งหมดเนี่ยกรรมในอดีตชาตินะของเก่าของเก่าอดีตชาติมีอยู่หข้อ เขามองเจะลืมว่าคนที่เจริญวิปัสนาตามคําสอนเขาไม่ได้มองชีวิตชาติเดีย ว, อ, วอยู่แล้วว่ายังอย่างที่กล่าวบ่อยๆว่าโสดาปฏิมร์เขาตัดพบที่8ปดโน้นเขาไม่ได้เน้นว่ามาละพบชาติอะไรชาตินี้อะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นเขามองชีวิตเขาจะมองแบบระบบข้ามชาติซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไอเหตุผลอันนี้นะครับโดยมากที่บางสายในปัจจุบันเขาไม่ยอมรับตามแนวอัตกถาเขาถือว่าทุกอย่างควรจะจบอยู่ในดวงเดียว ไม่ควรที่จะมองอะไรมันลหลายๆชาติแล้วก็ปฏิเสธอดีตปัจจุบันนั้นเขาจะมองอะไรทุกอย่างให้ลงในจิตขณะเดียวหมดนะนะ ก, ก็ก็มีกลุ่มแบบนั้นอีกแต่ว่าในจิตดวงเดียวเราก็ไม่ปฏิเสธว่าท่า อ, อย่างอย่างสมมุติว่าถ้าอย่างเนี้เป็นกรรมไหมในในชาวนะเนี่ยเป็นกรรมไหมมันให้ผลมาเลยนะเห็นผลชอบทำจิตแตัชรูปออกมาอย่างที่เราเรียนเนี่ยถามว่าเราพูดไหมแบบนี้ พูดแต่เป็นสหาชาตกรรมแต่นี้เรากําลังพูดนา น, นักข่ณิกกรรมอยู่เพราะฉะนั้นถ้านานนักข่ณิกกรรมเนี่ยก็อย่าลืมว่าบางอย่างผลปัจจุบันบางอย่างผลชาติหน้าบางอย่างผลสองถึงหแต่ถ้าผลผลปัจจุบันเนี่ยเจตนาพูดปั๊บเสียงออกมานี่ถือว่าเป็นผลของจิตแล้วเห็นไหมดีชั่วก็อยู่ที่คําพูดแล้วอันนี้เห็นเนกันเลยใช่ไหมแต่นี้ไม่มุ่งกล่าวแบบสหาชาตกรรมแต่กําลังกล่าวแบบนา น, นักข่าณิกกรรม เพราะถ้านานะค่ะกี่กรารเข้าคิดเรื่องพบหน้าพบต่อไปทีนี้ถ้าทำว่าของเราเนี่ยไม่มีบุเพนิวาสานุสติยานไม่มีอาณาคตังสายานแล้วเราควรจะเอามามาคิดไหมควรหรือไม่ควรเพราะว่าในพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าอาจินไตมีอยู่สี่ประการหนึ่งพุทธเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นอาจินไตข้อสอง เรื่องกรรมก็เป็นอาจินไตสามวิสัยของผู้มีฤทธิก์ก็เป็นอาจินไตนะก็เรียกมีสีข้อเยนะเอ่อเรื่องถ้านั้นเป็นอนันตะนะ า, านะจักรวาลโลกอาจินไตเนี่ยนะเรื่องโลกไม่ควรอามาคิด มันก็นั่นไงเรื่องกรรมนั่นเรื่องกรรมจึงไม่ควรคิดไงเหมอนันอันนัเรื่องหนึ่งเขาบอกในอาจินตายสีนะ่นั่นหนึ่งเรื่องพระพุทธเจ้ากัพบพุทธวิสัยนะพุทธวิสั ย, นะ ส, ยสองกรรม3โลกสกนนะี่อันนั้นไอิีไอทิก็ พ, พุทธวิสัยก็ข้อหนึ่งแล้วไงข้อ2ก็เรื่องฤทธิ์ข้อ3เรื่องโลกข้อสก็เรื่องกรรมนะมีสข้อ มันก็เลยก็บอกว่าก็เลยนั่นไงพระองบอกว่าไม่ให้คิดทีนี้ถ้าถ้าไม่คิดเรื่องกรรมเนี่ยตั้งคำถามว่าเจริญวิปัสสนาไปทําอะไรแล้ววิปัสสนาเนี่ยนะโดยเฉพาะมรรคแรกเนี่ยมันละภพชาติเนี่ยมันละภพไหนอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้ากล่าวให้ตรงแล้วเขาก็เอารู้เรื่องกรรมแต่ไม่ได้รอบรู้ละเอียดตลอดสายเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเขาไม่ได้รู้ตลอดสายแบบพระพุทธเจ้า เขารู้บางส่วนรู้บางส่วนแต่ว่าถามว่าไอ้ส่วนที่เขารู้เนี่ยจริงไหมจริงแต่รู้แบบแบบศรัทธาเนี่ยนะเพราะว่าการกําหนดปัจจัยเนี่ยในปฏิสัมพิธามมักบอกว่าสาวกทั้งหลายรู้ปัจจัยอาศัยศรัทธาเนี่ยนะเข้าใจเรื่องปัจจัยโดยอาศัยศรัทธานะถ้าไม่อาศัยศรัทธานะเช่นสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณ อันนี้นะถ้าไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยเราเราจะเข้าใจได้ยังไงกรรมในอดีตเป็นปัจจัยวิบากพบนี้เช่นยังยกตัวอย่างพบนี้นะก็แล้วพบเป็นปัจจัยแก่ชาติต่อไปเราจะเชื่อได้ยังไงเนี่ยทั้งๆที่พระอรหันตสุ ข, ขาวิวปสัสสกท่านไม่ได้สงสัยสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยนะก็ ปริพาชกคนหนึ่งที่มาบวชแล้วถามว่าที่ท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเ ล, ลื่ชาติได้ใช่ไหมไม่ได้ท่านรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายไหมไม่ได้เห็นเทวดาไหมไม่ได้มีหูทิพย์ไหมไม่มีทำฤทธิ์ได้ไหมไม่ได้แต่ผมหมดกิเลสอ่ะผมเป็นอรหันต์ผมปัญญาวิมุตต์ก็บอกว่าผมไม่เข้าใจท่านจะเข้าใจไม่เข้าใจผมกว่าปัญญาวิมุตต์อ่ะแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้า มีในสังยุตตนิกานิทานว่าซุซิมะสูตรนุซิมะปริภาชกที่เขาปลอมมาบวชเพื่อที่จะเรียนวิชาก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไม่ยอมรับแบบนี้นะการเจริญวิปัสสนาที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดของขันห้ามันจะมีผลต่ออะไรอ่ะอย่างนี้าสมุทา โอ้โหเจริญจนรู้ว่านี้ชาติชาติสมุทรไทยชาตินิโรธชาตินิโรธทักษ า, ามินีปฏิปทาบรรลุปไปทําอะไรเพราถ้าถ้าปฏิเสธไปนะถ้าแต่ทีนี้ให้ให้ตั้งจิตเอาไว้อย่างหนึ่งว่าสาวกทั้งหลายรู้เป็นบางส่วนรู้เป็นบางส่วนอย่างที่เคยถามว่าอัะนนะั้นอย่างขอตัวอย่างมรบาลบมาเนี่ยปกติทํางานใช้เงินเดือนเนี่ยนยะเงินเดือนที่ใช้วันนี้เนี่ยบอก มอรู้ไหมว่าเป็นผลของแรงงานที่ทำงานบอกหมอรู้แล้วหมอทำงานวันไหนฉีดเข็มไหนคุยรักษาคนไข้คนไหนที่มาใช้วันเนี้บอกได้ไหมว่าแรงงานของชั่วโมงไหนรู้ขนาดนั้นไหมไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นผลของงานที่ทำงานไม่ใช่ไหมรู้ก็คือคือลักษณะแบบนี้นะอย่างชาวนา ท, วทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าเขาทำนาเนี่ย เขาเขาทำนาเป็นร้อยไร่เป็นพันไร่เนี่ยเขากินข้าวหนึ่งถ้วยเนี่ยเขารู้ว่าเป็นนานาของเขาอะ่ะแต่เขาไม่รู้วมันมาจากไร่ไหนแปลงไหนดำใครดำใครเป็นคนปักเกี่ยวแล้วอยู่ตรงไหนผสมกับเม็ดตรงไหนเขาไม่ได้รู้ละเอียดขนาดนั้นเนี่ยนะแต่รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลกรรมและวิบากก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะทีนี้ถามว่าถ้าถ้าเราไม่ใคร่ครวญอย่างที่ว่านะ อดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลเนี่ยถ้าไม่มองเชื่อมตรงนี้การละกิเลสไม่มีประโยชน์เนี่ยนะการละกิเลสไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นตัวที่รัดระหว่างจุติกับปฏิสนธิที่ให้เชื่อมกันรัดพบสู่พบรัดกรรมไปหาวิบากเนี่ยนะกิเลสเป็นตัวตัดอันนั้นถ้าเราไม่ยอมรับส่วนนั้นแล้วการละกิเลสก็แทบแทบจะไม่มีผลอะไรเลยเนี่ยนะ คือที่เชื่อเนี่ยในชั้นแรกก่อนเนี่ยนะถ้ามาถึงเลยปฏิเสธเลยเนี่ยนะมันก็มันก็ไม่ใช่ฐานะใช่หมแต่ว่าลองลองมาคข่ครวรดูเช่นเช่น่ครวรดูหนึ่งอสองอย่างเนี่ยคือตั้งรวมๆง่ายๆก่อนนะ วิบากของคนที่ได้รับในปัจจุบันโดยมากจะส่อให้เห็นนิสัยของการทำกรรมใหม่ในชาตินี้ของเขาเช่นว่าคนนี้มีจริตนิสัยอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยนะเขาทอบทำกรรมแบบนั้นวิบัตแล้ววิบากเขาจะเป็นแบบนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยทำอะไรนะ่าจะชอบผลัดตลอดเลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นวิบากที่เขาได้รับนะจะวิบากประเภทเดียว อีกพักหนึ่งเหมือนจะได้ลวเกือบได้แล้วแต่ยังเกือบได้ละเกือบได้ละคือจะกลุ่มนี้บางคนนี่วิบากจะได้เร็วมา ก, ก น, นะคิดอะไรก็ได้เลยคิดอะไรก็ได้เลยวิบากเกิดเลยแต่บางคนนี่คิดแล้วคิดอีกกว่าวิบากมันจะได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ประโยค่าแล้วประโยค่าอกีกก็ไม่ได้แล้วเวลาเขาทำเหตุใหม่นะจะนิสัยเหมือนเหมือนกันเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไม่ค่อยรีบเดีย น, นะเพราะฉะนั้นถ้าดูจากนิสัยตัวเองนะที่ทาเหตุ ใหม่กับวิบากที่ได้รับนะมันจะสมควรแก่กันจริงๆแต่ว่าปัญหาสำคัญคือเรียนเรื่องบุญเรื่องบาปให้ชัดเจนก่อนนะแล้วจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยได้สงสัยอะไรว่ามันสมควรจริงๆที่เขีย น, นคือเป็นรายละเอียดของการอาโหสิกรรมของของการมองอโหสิกรรมด้วยของทั้งอโหสิกรรมด้วยทั้งไม่อโหสิกรรมด้วย เพราะว่าเราจะไปยกให้อโหสิกรรมหมดเลยไม่ได้จะยกว่าต้องมีผลหมดเล ย, ไ ด, ย, ดยได้ั้มก็ไม่ได้ดเพราะนี่นคือคือเหตุผลว่าเหมือนกับว่าอย่างสมัยใหม่นะเราไปทำงานทำงานเสร็จเนี่ยถามว่าเราเบิกเงินเดือนได้หรือไม่ได้งาน เ, เา น, นี่ยทาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเงิงง<า>นเนี่ย<ๆ>จะได้รับหรือไม่ได้รับกันแน่ต้องได้รับแน่หรือไม่ได้รับแน่ ถ้าไปทํางานเสร็จนะถ้าไปรับเหมาอะไรสักอย่างนึงเสร็จเนี่ยนะสรุปว่าจะได้เงินแน่หรือไม่ได้แน่ไม่ควรตอบว่าแน่หรือไม่แน่ก็เอาเหตุผลด้านอื่นมาวิเคราะห์ไปหาหมอจ่ายยาแล้วไปถามหมอหมอผมหายแน่นอนใช่ไหมจะของานเดี่ยวใช่ไหมตอนนี้หมอเขาจ่ายยามานะเราจอมรับไปถามหมอตรงๆหมอเนี่ยผมจะหายจริงๆไหมทั้งๆที่หมอก็ให้ยามาแล้วอย่างเนี้ย มันหายหรือไม่หายมันไม่ได้ปัจจัยอยู่ที่ยาอย่างเดียวมันอยู่ที่อื่นตั้งเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นนี่คือในจํานวนหนึ่งปัจจัยถ้าคุณได้ยาแล้วคุณยังไม่หายแสดงว่าคุณเนี่ยกรรมมันหนักมากเหมือนกันเนอะได้แล้วไม่กินบ้างอย่างไม่อเช้าอานเรื่องพระจักรคูบาลใช่ไหมก็บอกว่าหมอเข้าไปประวารณาว่าถ้าผมป่วยไข้นี้พระคุณเจ้าก็บอกผมนะผมจะมาอะไรารักษาให้อะ น, นะ พระพิโสก็ไปบอกว่าพระจักคูบานน้ำตาไหลพรากพรากหมอก็ปรุงยาชั้นหนึ่งมาให้เลยปกติหยอดครั้งเดียวหายพระอ่ะเบอกว่าให้หยอดแต่ต้องหยอดจมูกนะหยอดจมูกเข้ามา